วันนี้เป็นวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันอาสาละหะบูชา คำว่าอาสาฬหาบูชานี้แปลว่าการบูชาในเดือนอาสาฬหาสมัยพุทธกาลเดือนแปดคือเดือนนี้มีชื่อว่าอาสาฬหามีการกระทำการบูชาเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่มหัศจัร์ เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีความสำคัญต่อสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นวันที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้การที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้ จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สามองค์ด้วยกันคือจะต้องมีพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสริว์พระธรรมอันประเสริฐแล้วได้นำเอาธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วก็มีพระอริยสงสาก ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมานี่คือองค์ประกอบอันสำคัญของพระพุทธศาสนาคือต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนและมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ รับประโยชนจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบสามองค์พระพุทธศาสนาก็จะสามารถดำเนินไปได้ถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่งนี้พระพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นถ้ามีแต่พระพุทธเจ้า แต่พระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมไม่ทรงสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกก็จะไม่มีผู้ที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ให้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาได้เพื่อที่จะได้สืบทอด พก็ทำคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันธะปานิพานไปแล้วพระพุทธเจ้านี้จึงมีสองแบ บ, แ บ, บด้วยกันคือแบบแรกเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อได้ตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐแล้ว ก็จะนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปก็จะปรากฏมีพระอริยสงสาวุกตามมาก็จะทำให้มีพระพุทธศาสนาอยู่กับโลกไปได้ในระยะเวลาหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้าชนิดที่สองเรียกว่าพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า พระปเจกับพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงสั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะจะไม่มีผู้ที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้านั่นเองหลังจากพระพุทธเจ้าองค์นั้น ได้เสด็จดับขันธ์ปาณนิพานไปพระธรรมก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาในโลกเพราะไม่ได้ทรงแสดงให้แก่สัตว์โลกนั่นเองพวกเรานี้โชคดีมีวาสนาได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาคือมีพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ธรรมอันปรเสริฐแล้วก็นำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกแต่ในเบื้องต้นตอนที่ได้ทรงตัดสรูใ้ใหม่ๆ อ, องค์ทรงมีความท้อพระทยัยไม่มีความปรารถนาที่อยากจะนำเอาพระธรรมคำสั่งคำสอน มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพราะทรงเห็นว่าเป็นคําสั่งคําสอนที่ยากต่อการปฏิบัติของสัตว์โลกนั่นเองเพราะทรงเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสะรรเสริญ ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆแต่เป็นความสุขที่จะผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกนี้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความสุขที่ได้จากราบยศสารสนสุขเป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอได้มากน้อยเพียงไร ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆก็จะพยายามหาความสุขจากาะลาภยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆไปจนถึงวันตายเลยพอร่างกายที่ตายไปแล้วแต่ใจอ น, นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะรอรับร่างกายอันใหม่หาร่างกายอันใหม่หาเครื่องมืออันใหม่เพื่อที่จะได้หาความสุขต่อไปนั่นเองตราบใดถ้านมีการปรารถนาอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆก็จะต้องหาไปเรื่อยๆเพราะว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวให้ความสุขเดียวๆหลังจากนั้นก็ปล่อยให้จิตใจอ้างว้างเปล่าเดียวๆได้ทำให้จิตใจต้องเดิมรนหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆ ร่างกายตายไปแล้วแต่จิตใจที่ไม่ได้ตายกับไปกับร่างกายจิตใจที่มีความอยากในการที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริมจากรูปเสียงกลิ่นรสผธถภาชนิดต่างๆก็จะเดินวนไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่กันนี่คือที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราทุกคนนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยลิ่นรสผลทพักกันอาจจะมีต่างกันตรงที่มากน้อยต่างกันบางพวกก็มีมากบางพวกก็มีน้อยแต่ก็ถ้ามาเกิดในโลกนี้ก็ถือว่ายังมีความอยากในลาบยศสารเสริญ ในรูปเสียงกิ่นรพผลสภาอยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ ใช้พระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาละความอยากในราบยศสารเสรสุขได้อย่างถาวรเท่านั้นถึงจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอิกต่อไป <c oughs> ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อสัตว์โลกที่จะต้องสละ การหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเพื่อที่จะได้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ในเบื้องต้นจึงไม่มีความปรารถนาที่อยากจะเอาพระธรรมที่ได้ทรงค้นพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกให้รู้ว่าสัตว์โลกที่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด เิี่ยวกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากการที่มีความอยากการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆนี้คิดว่าถ้าสอนไปก็ไม่มีใครจะนําอาไปปฏิบัติเพราะไม่มีใครอยากจะสละความสุขทางลาบยศสารเสริญ คามสุขทางตาหูจะมุกมือกายกันแต่สักระยะหนึ่งก็มีเท้ามหาพรมได้เข้ามาอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกขอให้โปรดได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถที่จะเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกได้หรือไม่ องก็เลยทรงทบทวนดูก็ทรงเห็นว่าสารโลกนี้ความจริงแล้วก็มีความสามารถที่จะละความอยากในรูปเสียงกลดิ่นรสในราบยศสารเสรินสุขได้มีไม่เท่ากันมีบางพวกก็มีศักยภาพมีความสามารถสูงบางพวกก็มีความสามารถน้อย บางพวกก็ไม่มีเลยหลังจากได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่าสันโลกนี้สามารถแบ่งไว้เป็นสี่กลุ่มได้แบ่งเป็นสี่กลุ่มเปรียบเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวสี่เหล่านี้เหล่าแรกก็ทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนกับบัวที่ทนนานแล้ว บัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้าพร้อมที่จะบานพอได้รับกับสัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ที่จะโผล่ขึ้นมาในยามเช้าพวกที่สองก็เป็นพวกบัวปลิ่มน้ำบัวที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ในระยะไม่นานสักสองสามวันแล้วก็มีบัวกลุ่มที่สามบัวกลางน้า ที่จะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้านแล้วก็รับแสงสว่างของดวงอาทิตย์และบานออกมาได้ส่วนกลุ่มที่4ี่นี้บัวกลุ่มที่สี่ก็คือบัวที่ยังอยู่ในตมในโครนบัวพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้านได้เพราะจะส่วนใหญ่ส่วนมาก จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปนั่นเองหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแล้วก็ส่งเกิดมีความกำลังใจที่เห็นว่ายังมีพวกที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจที่จะน้อมนำเอาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้กลุ่มเหนือน้ำนี้ กลุ่มที่จะบานถ้าได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็เหมือนกับกลุ่มของจิตใจของนักบวชที่ได้บวชมามีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตสงบตั้งมั่นในสมาธิพวกนี้เป็นพวกที่เหมือนกับบัวที่โผล่เหนือน้าขึ้นมาถ้าได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้คือพระอริย ส, สัจสีนี้ถ้าได้นําเอาพระอริยสัจสีนี้มาเผยแผ่ให้แก่ บ, บัวเหล่านี้เป็นกลุ่มแรกก่อนก็จะไม่เสียเวลามากเพราะพวกนี้จะสามารถเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐและทําลายกิเลสตัณหา ความยากต่างๆที่เป็นตัวชุดลากจิตใจให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ทันทีพระองค์เลยทรงมุ่งไปหาบุคคลที่มีความสามารถในทางนี้คือพวกที่มีศีลและเป็นพวกที่มีสมาธิสามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้ เบื้องต้นก็ น, นึกถึงพระอาจารย์สองรูปด้วยกันว่าถ้าได้ยินได้ฟังแสงสว่างแห่งธรรมแล้วจะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้ทันทีแต่ก็ได้ทราบข่าวว่าองค์หนึ่งก็เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วอีกองค์หนึ่งก็เพิ่งเสียไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง พระพุทธเจ้าหลังจากได้ทราบข่าวก็มีความรู้สึกเสียดายโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้เพราะว่าถ้าได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็จะสามารถตัดภพตัดชาตินุดพ้นจากการเืนว่าตายเกิดได้ทันทีแต่ถ้าตายไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็จะติดอยู่ในตายภพต่อไปอีกแล้วก็จะต้องกลับมาเกิด มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาบาเพ็ญใหม่แล้วก็การกลับมาครั้งหน้าก็อาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของพระอาจารย์สองรูปนี้จึงสูญสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายพระ อ, องค์เลยสรงเลืกถึงกลุ่มต่อไปคือพระปรญจาวิคีพระบรญจรวิคีก็คือพระสาหาย เป็นนักบวชที่ร่วมปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์มีศีลและก็มีสมาธิเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอดพระกาหารถึงสี่สิบเก้าวันเพื่อหวังจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย แต่ก็ไม่สามารถใช้การอดพระกยอาหารนี้เป็นเครื่องมือดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองได้พระองค์ก็เลยทรงยุติการอดพระกยอาหารกลับมาเสวยพระกยอาหารตามปกติจึงทําให้พระปัญ จ, จวัคคีย์ผู้ที่มีความศรัท ธ, ธาในความสามารถของพระพุทธเจ้านั้นเสื่อมศรัทธาลง คิดว่าพระพุทธเจ้านี้คงจะกลัวตายจึงต้องกลับมารับประทานอาหารก็เลยแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไปไม่ติดตามอีกต่อไปแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวแล้วแล้วมีทางคิดถึงพระปัญจวัคคีย์อยากจะนําเอาธรรมเหล่านี้ธรรมที่ได้ทรงค้นพบนี้มา มาสอนมาบอกพระปัญจวัคคี<ม>ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีในวันเพ็ญเดือนแปดเช่นวันนี้แหละที่ได้ส่งพบกับพระปัญจวัคคีแล้วหลังจากที่ได้สนทนากัน<ม>ก็เริ่มแสดงธรรมสั่งสอนให้กับพระปัญจวัคคี<ม>แสดงธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็คือพระ อ, อริยสัจสี่ที่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งก็คืออริยสัจข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกขสัจความจริงความทุกข์ที่เป็นความจริงที่มีกับทุกคนที่มาเกิดก็คือทุกข์ที่เกิดจากการเกิดทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากกัน แล้วก็ส่งสอนว่าทุกที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดจากตัณหาความอยากสามประการเรียกว่าสมุทัยสัจสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่กามาตัณหาความอยากเสพมุขเสียงเกิดลดโผฏฐัพพะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากมีความอยากไม่มีเป็นต้น นี่คือเหตุที่พาให้มาเกิดกันสมุทยัยสัจจะและทรงค้นพบาการดับของความทุกข์ที่เรียกว่านิโรธนิโรธสัจจะความการดับของความทุกข์นี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งและเหตุที่จะทำให้นิโรดนี้คือการดับของความทุกข์นี้ปรากฏขึ้นมาในใจก็เกิดจากมรรคสัจจะ นอริยสัจข้อที่สข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกขสัจข้อที่สองเรียกว่าสมุทัยสัจข้อที่สเรียกว่านิโรธนิโรธสัจข้อที่สี่เรียกว่ามรรคสัจถ้าผู้ใดาสามารถจเจริญมรรคสัจได้อย่างสมบูรณ์ก็จะสามารถละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ เมื่อละตัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะหายไปริโรธาคือการดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมอันนี้ให้แก่พระปัญจวคีหนึ่งในพระปัญจวคีคือพระอัญญาณโกนทัญญะก็ได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขึ้นมา คือขั้นพระ ส, สูดาบันทรงเห็นว่าสิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเหตุที่ใจทุกข์กับร่างกายก็เพราะความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั่นเองเพราะมีความอยากที่จะใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆแต่พอรู้ว่าความอยากเหล่านี้จะทำให้ต้องทุกข์และต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆก็เลยหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นใตรักเป็นของที่มีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ได้เป็นตัวตนของใครทั้งนั้นเป็นดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ใจผู้รู้ผู้คิดมาอาศัยมาใช้เป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภาชนิดต่างๆพอได้ฟังแล้วเข้าใจก็สามารถ ปล่อยวางร่างกายได้เพราะถ้ายึดถ้าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีพอยอมรับความจริงว่าห้ามไม่ได้ร่างกายนี้ยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับความจริงไม่ไม่ฝืนไม่อยากให้ไม่เป็นไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ใจก็จะหายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหายทุกข์ก็คือนิโรดนิโรดเกิดขึ้นเพราะมรรคมรรคก็คือปัญญาที่พู้เจ้าทรงนามาเผยแผ่สั่งสอนแต่ปัญญานี้ต้องมีการสนับสนุนด้วยสมาธิคือถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีอุเบกขาใจจะไม่ไม่วางเฉยได้ใจจะดิ้นเข้าหา ความอยากต่างๆตลอดเวลาต้องใช้อุเบกขาทำใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางแล้วก็ใช้ปัญญาสอนให้เลิกไม่ให้ไปมีความอยากกับร่างกายต่อไป<ม>พอทำได้ปั๊บใจก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งได้<ม>เป็นพระโสดาบันขึ้นมา นี่คือการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าจึงทำให้วันนั้นปรากฏมีพระพุทธมีพระรัตนตรัยครบองค์ทั้งสามองคคือมีพระพุทธเจ้าผู้แสดงแล้วก็มีพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้านามาแสดงมาเผยแผ่แล้วก็มีพระอริยสงฆ์ผู้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจพระธรรมอันประเสริญนี้ แล้วน้อมนำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาดับความทุกข์ภายในใจได้คือมาล่าตันหาความอยากต่างๆ mm hmm. เห็นโทษของตันหาความอยากเหมือนกับแพทย์ที่เห็นโทษของไวรัสหรือเชื้อโรคนั่นเอง mm hmm. รู้ว่าร่างกายไม่สบายเพราะเกิดจากเชื้อโรคเกิดจากไวรัส mm hmm. ก็เลยต้องคิดค้นหายาชนิดต่างๆ เพื่อมาทำลายเชื้อโรคที่มาสร้างความไม่สบายให้กับร่างกายพอได้ยาแล้วนำยานี้ฉีดเข้าไปในร่างกายก็สามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดสิ้นไปได้เมื่อไม่มีเชื้อโรคเหลืออยู่ในร่างกายร่างกายก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เป็นเหมือนร่างกายใจก็มีเชื้อโรคที่ทำให้ใจนี้ทุกข์ ทำให้ใจไม่สบายอยู่ได้เรื่อยชีโรคตัวนี้ก็คือตัณหาความอยากนี่หรือเราจะเรียกว่ากิเลสก็ได้กิเลสตัณหานี้ตัวเดียวกันตัณหาก็คือความอยากสามประการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากมีก็อยากอยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากงามนี้ก็เรียกว่าอยากมีอยากเป็น อยากได้ตําแหน่งต่างๆอยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นผู้นําอย่างนี้เรียกว่าอยากมีมอยากเป็นอยากมีก็อยากร่ํารวยอยากจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเยอะแยะอันนี้พอเกิดความอยากแล้วมันก็ต้องให้จิต ด, ดิ้นโดนไปหาการหาแต่ละครั้งก็ต้องทุกข์ต้องเนนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แล้วก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตำแหน่งต่างๆแล้วเวลาที่รักษาไม่ได้เวลาต้องสูญเสียมันไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ลำบากยากจน อยากไม่ไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปารารถนาพอเกิดความอยากเหล่านี้ถึงแม้เหตุการณ์ยังไม่ทันเกิดใจก็ไม่สบายใจไปแนละ้เาาวเมื่อเช้านี้ก็มีแม่คนหนึ่งมาห่วงเรื่องลูกว่าลูกจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่ตอนนี้อยู่ในบเวอยู่ในวัยเบญจเพศซึ่งเขาบอกว่าเป็นวัยที่จะมีภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นกลัวจะเกิดลูกจะเกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เดินทางก็แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเสียด้วยซ้ําไปเป็นตัวของคนอื่นตัวของลูกแม่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายใจขึ้นมานี่เพราะว่าไม่เข้าใจหลักความเป็นจริงของไยรักษณว่าร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามหนี้ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคน เพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นใครเกิดเกิดช้าเกิดเร็วก่อนเกิดก่อ น, เ ก, กอนเกิดหลังท่านั้นเองแต่จะต้องเกิดกันทุกคนถ้าใครเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จะปลงได้ยอมรับความจริงได้ว่ามันห้ามันไม่ได้ร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าใจยังเดือยอยู่แสดงว่าใจไม่มีอุบเบกขาไม่มีสมาธิจึงจาเป็นจะต้องฝึกสมาธิก่อน ถึงจะสามารถเอาปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเอามาสอนนี้เอามาสอนใจให้ละความอยากนี้ความอยากไม่มีอกไม่เป็นให้ได้นั่นเองดังนั้นกลุ่มแรกของพระพุทธเจ้าไปทรงสอนธรรมานี้จึงล่วงไปพวกที่มีอุเบกขาแล้วผู้ที่มีอุเบกขาแล้วก็คือพวกนักบวชทั้งหลายพวกที่สามารถเข้าสมาธิเข้าฌานทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ พ อ, อ, อจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายของตนร่างกายของคนอื่นแล้วก็เห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหลีพล้นแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเท่านั้นเองวันหนึ่งมันก็ต้องแยกออกจากกันไปพอเห็นด้วยปัญญาและสนับสนุนด้วยอุเบกขา ใจก็ปล่อยวางได้ น, น, นี่คือบุคคลที่พระเจ้าทรงมุ่งไปสอนในอันดับแรกเพราะพวกนี้หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วจะเข้าใจสามารถทำใจได้เมื่อเห็นตรายลักษณ์ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีมามีไป ไม่มีอะไรที่จะอยู่คงเส้นคงวาไปตลอด mm hmm. เมื่อเห็นแล้วก็จะได้ละความอยากได้สิ่งต่างๆไปให้หมด mm hmm. พอละปั๊บใจก็จะหมดความทุกข์ทันที mm hmm. นี่คือผู้ที่มีอุเบกขา mm hmm. อุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนเ mm hmm. พราะจะต้องมีเวลามาปฏิบัติสมาธิให้มากๆนั่นเอง แต่ยังติดภารกิจอย่างอื่นยังต้องทำงานยังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นันก็จะหาเวลามาทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ยากเพราะมีเวลาน้อยอาจจะทำได้วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงวันเสาร์อาทิตย์ก็ก็ไม่มีเวลาทำเพราะจะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอีกพวกนี้ก็จะไม่มีวันที่จะ นำเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มาละสมุ ท, ทยัยคือความอยากตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้พระพุทธเจ้าจึงยังไม่ไปสอนพวกพวกนี้บุ่งไปสอนพวกที่มีอุเบกขาแล้วคือพวกนักบวดทลายทั้งหลา ย, ลายเวลาไปแสดงธรรมในแต่ละสํานักนี้พอแสดงธรรมเสร็จปั๊บนี่ผู้ฟังทั้งสานักนี้บรรลุธรรมขึ้นมาทันทีเลย พราะเข้าใจแล้วก็มีกําลังที่จะปล่อยวางได้คือมีอุเบกขาแต่ถ้าไม่มีกําลังคืออุเบกานี้ถึงแม้จะเข้าใจก็ยังจะปล่อยวางไม่ได้อย่างพวกเรานี้พวกเรานี้ก็ได้ยินได้ฟังทำกันมามากมายแล้วรู้เรื่องอ ร, ริยสัจสี่กันรู้เรื่องมรรคแปรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญากันแต่พวกเรายังทําใจกันไม่ค่อยได้ เวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายการสูญเสียการทัดพ่าจากกันนี้ก็<อ>ทำให้เกิดความไม่สบายออกไม่สบายใจยขึ้นมาทันที<อ><อ>เพราะฉะนั้นจึงพวกเรานี้จึงถือว่าเป็นพวกกลุ่มกลุ่มที่สองหรือที่สามไม่ใช่เป็นกลุ่มแรกถ้ากลุ่ม้ากฝานี้พวกเราต้องบรรลุธรรมกันหมดแล้ว<อ>เพราะฟังธรรมอันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสมัยพุทธกาล เพราะมีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกและมีการสอนกันอยู่ทุกแห่งทุกคนพระธรรมันแรกที่พุะเจ้าทรงสแสดงคืออะไรพระธรรมจากกัปวตตนสุตตานะทรงสแสดงเรื่องอริยสัจสี่ทรงสแสดงเรื่องมรรคแปเป็นต้นพว <c oughs> กเราฟังกันสวดกันจนกระทั่งหูฉีกแล้วแต่กิเลสมันก็ยังไม่ตายไปทักทีความอยากมันก็ยังไม่หายไปทักที เพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีอุบเบกขาที่จะมาสู้กับความอยากเพราะเกิดความอยากนี้ใจของเราก็เป็นเหม ien, ือนเทียนโดนไฟอ่อนอยู่บเหยียบไปหมดก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ถึงแม้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมเพราะยังขาดการปฏิบัติสมาธินั่นเองจึงต้องไปฝึกสมาธิกันก่อน เบื้องตอนนี้พระเจ้าเลยมุ่งไปหาพวกที่มีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วพอแสดงธรรมปุ๊บเสร็จปั๊บบรรลุกันทั้งสำนักเลยห้าร้อยองบรรลุกันทีเดียวพร้อมกันพวกเราฟังแล้วก็อาจจะงงว่าอทําไมสมัยก่อนคนก็ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมคนที่ฟังแล้วไม่บรรลุ ก, ก็มีพวกที่ยังไม่มีสมาธินี้ฟังไงก็ยังไม่บรรลุ แ ต, แต่พวกที่มีสมาธิมีอุเบกขาแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมปั๊บนี้จะเข้าใจทันทีและสามารถที่จะละอุละตันหาความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ทันทีหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พวกบัวเหนือน้ำแล้วไม่มีพวกบัวเหนือน้ำเหลืออยู่ให้แสดงแล้วก็ทรงไปสอนพวกที่เป็นพวกบัวปริ่มน้า พวกบวชปริ่มน้ำก็คือพวกที่เป็นเป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้สมาธิกันได้ศีลรักษาศีลได้ศีลแปดศีล 10, สิศีล227ได้แล้วก็กําลังฝึกสมาธิกันก็มาสอนพวกนี้ให้เจริญสติก่อนเจริญสติฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อมีเวลาว่างก็ให้นั่งหลับตา แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เพื่อสร้างอุเบกขาขึ้นมานั่นเองทใจให้นิ่งให้สงบถ้าสามารถทาใจให้รวมให้นิ่งให้สงบได้อุเบกขาก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอยู่กับว่าสงบได้นานมากน้อยเพียงไรถ้าสงบได้นานก็จะได้อุเบกขามากถ้า สงบไม่ได้นานก็จะได้อุเบกขาน้อยแต่ก็ไม่ได้มาคำว่าให้ทํานึ่เดียวก็ต้องทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาเราตักน้ําใส่ตุ่มนี่ตักน้ําถันแรกลงไปในตุ่มนี้มันไม่ได้ทําให้น้ําในตุ่มเต็มขึ้นมาทันทีอุเบกขาในใจก็เหมือนกันเวลาใจรวมสงบเป็นสมาธิก็จะได้อุเบกขาขันหนึ่งในตุ่มคือใจของเรา ก็ต้องหมั่นทำสมาธิอยู่บ่อยๆก่อนผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นต้นนี้คือขั้นสติขั้นสมาธินี้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องปัญญามากเกินไปเพราะปัญญาเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถทำใจตามที่ปัญญาสอนให้เราทำได้คือสอนให้เราปล่อยวางสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราไปอยากไปฝืนความจริง เราก็จะทุกไปเปล่าๆเพราะ เ, mm hmm. เรายังหยุดความอยากไม่ได้เราขาดอุเบกข า, างั้นเบื้องต้นนี้การปฏิบัติขอให้พุ่งไปที่สติพยายามฝึกสติให้มันต่อเนื่องไม่ให้เผลอให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอไปคิดถึงอดีต mm hmm. เผลอไปคิดถึงอ mm hmm. นาคตไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ให้อยู่ให้รู้เฉย เช่นถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกำลังเดินกำลังทำอะไรให้ใจเราเฝ้าดูการกระทำต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ คิดให้น้อยที่สุดถ้าจาเป็นจะต้องคิดก็คิดอยู่กับเฉพาะงานที่เรากำลังทำอยู่เท่านั้นถ้าหางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดได้ยางดีใช้นงานง่ายๆเช่นการกวาดบ้านถือบ้านการซักผ้าการทำงานอะไรานี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็จะสามารถควบคุมความคิดไม่คิดได้แล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะหยุดความคิดได้เต็มที่เลย พอจิตหยุดคิดเต็มที่จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็ต้องพยายามฝึกทำให้ชำนาญทำให้เข้าได้บ่อยๆเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการและเข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วไม่เหมือนตอนแรกๆนี้เวลาจะนั่งสมาธิแต่ละครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนกับปีนเขาใจรู้สึกอึดอัดจะต้องคอยบังคับให้มันมานั่งให้ได้ บังคับให้มันพุโทโธบังคับให้มันดูลมแล้วก็เกิดอาการอึดอัดบางคนก็เกิดอาการนั่นหน้าอกขึ้นมานั่นศีรษะขึ้นมาปวดตรงนั้นคันตรงนี้ น, นี่มีอาการต่างๆที่มันคอยต่อต้านของจิตที่ไม่มีสติสติที่ยังมีกำลังน้อยนี้จะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกยากเวลานั่งสมาธิแต่ถ้าจิตที่มีสติอย่างต่อเนื่องที่ได้ ที่ได้เจริญมาตั้งแต่ก่อนที่มานั่งสตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยไม่ควรอยู่โดยการไม่ได้เจริญสติพอลืมตาขึ้นมาก็ดูร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนกําลังนอนกําลังลุกขึ้นมานั่งกาลังยืนกําลังเดินกําลังไปทําอะไรให้เฝ้าดูทุกอิริยาบถหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ใช้คําบริกรรมพุทธโธแทนก็ได้ เริ่มตาขึ้นมาพอจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไล่มันไปเลยให้มีแต่พุโทโธอยู่ในใจเราเพียงอย่างเดียว<ม>แล้วเวลามานั่งสมาธินี้จะไม่มีความคิดไม่มีอะไรมารบกวนใจจะไม่มีอาการรู้สึกอึดอัดรู้สึกคันตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้มารบกวนใจใจก็จะสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบางทีห้านาทีสินาทีใจก็นิ่งสงบสบาย สร้งอยู่ในความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอได้สัมผัสกับสมาธิได้สัมผัสกับความสงบที่เป็นความสุขแล้วจะเกิดความยินดีเกิดความชอบจะเกิดฉันทะความยินดีในการปฏิบัติในการเจริญสติในการนั่งสมาธิก็จะมีวิริยะความเพียรที่จะพยายามนั่งบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆ จะไม่คิดอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นเมื่อก่อนอาจจะอยากจะไปดูหนังบ้างอาจจะไปฟังเพลงบ้างอาจจะไปกินขนมบ้างพอได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้แล้วใจจะเปลี่ยนไปทันทีใจจะไม่อยากที่จะไปหาความสุขแบบนั้นเพราะมันเป็นคนความสุขคนละระดับกันเหมือนฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตติสันติปรังสุขขังสุขเอิ่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอได้ความสงบแล้วทีนี้จะเริ่มมีความยินดีอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นถ้ายังมีภารกิจการงานอะไรต่างๆถ้าเลิกได้ถ้าลาออกได้ก็จะลาออกเอาเวลามาสร้างความสงบดีกว่าเอาเวลามาหาเงินหาทอง เงินทองนี้ซื้อความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้เงินทองนี้ซื้อได้แต่ความสุขที่แบบเป็นแบบความสุขแบบขั้นต่ำเป็นความสุขชั่วคราวด้วยแล้วก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมมาด้วยเพราะจะต้องมีความกังวลว่าเราจะหาเงินได้ไปถึงเมื่อไหร่จะมีอุปสรรคในการหาเงินหรือไม่จะตงงานหรือเปล่า อะไรต่างๆจะมีความทุกข์ความกังวลมาอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบพอได้แล้วจะไม่มีความกังวลเพราะรู้ว่าสามารถเข้าหาความสงบนี้ได้ตลอดเวลานั่นเองถ้าต้องการความสงบเมื่อไหร่ถ้าเคยเข้าได้แล้วมันจะเข้าไปได้ทุกครั้งไปใหม่ๆอาจจะไม่ได้ทุกครั้งไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆทําไปเรื่อยๆ โดยใช้สติเป็นตัวหลักอย่าไปมองผลจากการปฏิบัติคราวที่แล้วจิตสงบ พ, พอคราวนี้มานั่งก็ไม่นึกถึงความสงบของคราวที่แล้วถ้านั่งแบบนี้จะไม่สมบเราต้องอยู่ที่สติเพียงตัวเดียวอยู่ที่การรู้ลมหายใจเข้าออกหรืออยู่ที่การบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าให้ใจเราไปคิดถึงผลที่ผ่านมาแล้ ว, ลวยิ่งคิดยิ่งไม่สงบใหญ่ เพรมัไม่เหตุมันไม่เป็นเหตุทําให้ใจนิ่งให้สงบมั้ น, นกลับทําให้ใจวุ่นวายขึ้นมาเอ๊ะทำไมไม่สงบสักทีนั่งคราวที่แล้วสงบมีความสุขเหลือเกินคราวนี้อยากให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วมันไม่ยอมเป็นสักทียิ่งไม่เป็นยิ่งยิ่งยิ่งวุ่นวายใจ อ, อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำไม่ได้เจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิต้องมีสติเป็นตัวนําอย่างเดียว จะใช้พุโทโธเป็นตัวนำก็ได้พุโทโธพุทโธไปหรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ทำไปทำไปให้มันได้อุเบกขา่อนถ้าได้อุเบกขาแล้วใจมันก็จะเริ่มมีความเย็นความอิ่มความพอ mm hmm. วเวลากิเลสมาชวนให้ไปกินขนมให้ไปดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆถ้าร่างกายไม่มีความจำเป็นจะต้องมีต้องกิน ก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เอาตอนนี้ร่างกายไม่หิวใจก็ไม่หิวเพราะใจมีอุเบกขาถ้าใจไม่มีอุเบกขาพอกิเลสมาชวนปั๊บไปทันทีเลยไปเปิดขนมกินไปเปิดน้ําดื่ด ม, มาดื่มเครื่องดื่มที่มีสีสันมีรสชาติต่างๆถ้าร่างกายต้องการน้ําจริงๆก็ดื่มน้ําเปล่าสําหรับคนที่มีอุเบกขานี้จะดื่มน้ําเปล่า ดังนั้นเองดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อกิเลสกิเลสชอบรูปเสียงกลิ่นรสของน้ำของของเครื่องดื่มต้องฝืนต้องไม่ไม่ต้องไม่ยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มากับรูปในรูปแบบของเครื่องดื่มเรื่องของอาหารต่างๆเพราะมันจะทําให้ติดนั่นเองจะทําให้อยากไปเรื่อยๆเราต้องการละความอยากดันั้นพะอะไรที่เป็นความอยากนี่เราต้องฝืน ถ้าเรามาีโอเบขาเราก็จะฝืนได้เลือกได้พอเราฝืนไปไม่กี่ครั้งว่าความอยากมันก็จะหายไปมันจะไม่กลับมาชวนเราอีกแล้วพอรู้ว่ามาชวนกี่ครั้งก็ไม่ไปอยู่ดีไม่เชื่อลองดูเวลามีเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวเลยเขามาชวนเรากี่ครั้งถ้าเราบอกไม่ไปไม่ว่างเดี๋ยวต่อไปเขาก็เลิกมาชวนเราเองเขามาชวนแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรชวนมาทีไรก็ไม่ยอมไปทท้ที ความอยากนี่ก็เป็นเหมือนเพื่อนที่ชอบมาชวนเราไปหาความทุกข์กันชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปกินชวนเราไปดื่มกันแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี่เราจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอเรื่องอไรต้องไปดิ้นรนเสียเงินเสียทองเสียเวลาในเมื่อเราสามารถหาความสุขที่ดีกว่าได้แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเพียงแต่ใช้สติตัวเดียวเท่านั้นเองจึงมีคําพูดว่าคนโง่าหาสตางกัน คนฉลาดหาสติคนฉลาดรู้ว่าสตินี้จะนำไปสู่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่สตางจะพาไปหาได้มีเงินทองเท่าไหร่ความสุขที่ได้จากเงินทองซื้ออะไรมามากน้อยเพียงรายนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังที่ทรงตัดไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทห่งปวงนี้ นี่คือที่มาของผู้ที่ได้สัมผัสกับรถของความสงบเพียงครั้งแรกครั้งเดียวก็จะเกิดความติดอกติดใจเกิดฉันทะวิรยิยะฉันทากคือความยินดีวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นไปตามลาดับถ้าลาออกจากงานได้ก็ลาออกจะได้เอาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าเคยไปเที่ยว ไปทําอะไรต่างๆทางต า, งต า, งตางหูจมูกลิ้นกายก็จะร ง, งับไปไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบดีกว่าหรือถ้าไม่มีที่ไปอยู่ที่บ้านคนเดียวก็ก็ใช้ได้ปฏิบัติทําในบ้านเองก็ได้ถ้าไม่มีใครมารบกวนเราหาความสุขในใจเราดีกว่าปลอดภัยกว่ามั่นคงกว่าแล้วก็ถาวรกว่าถึงแม้ร่างการนี้ตายไปใจนี้ก็ยังมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่เพราะความ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายเมื่อไม่ได้อาศัยร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนจะไม่มีความหวาดวิตกกังวลกับเรื่องความเป็นความตายของร่างกายจะไม่กังวลเกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้แล้วเพราะมีเครื่องมือที่ดีกว่าก็คือสตินี่ถ้ามีสติแล้วสามารถหาความสุขให้กับใจ แต่ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ยังไม่ใช่เป็นความสุขแบบถาวรถ้าต้องการให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ถาวรขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาแล้วอันนี้เมื่อเรามีความชำนาญมีความสามารถที่จะรักษาอุเบกขาด้วยสติได้ตลอดเวลาแล้วขั้นต่อไปเราก็เปลี่ยนวิธีรักษาแทนที่จะใช้สติ เราใช้ปัญญาแทนเพราะปัญญานี่จะไปถอนรากถอนโคนของตัวที่มาคอยทำลายอุเบกขาที่มีในใจให้หมดไปตัวที่จะมาคอยทำลายก็คือตัณหาทั้งสามตัวนี่เองกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเลวลาเกิดความอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ここใช้ปัญญามาสอนว่าลาบยศสารเสริญ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยงนะ มันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้เนี่ยโรคก็ทำแปดมีลาบแล้วก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสารเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์เพราะมันไม่ถาวรนั่นเองมันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมลงพอเสื่อมก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมีขึ้นมีลงมีได้มีเสีย อนัตตาห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้ไม่มันจะเวลามัน จ, จะจากเราไปห้ามไม่ให้มันจากเราไปก็ไม่ได้เวลามันไม่มาจะไปเรียกให้มันมามันก็ไม่มาเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าเราไปหวังหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องอกหักไม่ช้าก็เร็วเ ร, วเราต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราไปห้ามมันหรือไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงแล้วมันไม่เทีย่ยมมันก็จะทำให้เราทุกข์นั่นเองพอเราเห็นได้ด้วยปัญญาก็สอนจิตที่มีอุเบกขาเพราะจิตอุเบกขานี้จะนิ่งเฉยและจะฟังเหตุผลได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี้พอใครมาชวนปับ๊บ โอ้เต้นแรงเต้นกายใหญเลยมีใครยื่นตั๋วฟรีให้ไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่โอ้ไปทันทีเลยไม่คิดว่ามันไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นอะไรหรือไม่เป็นขอให้ได้ไปทันทีเลยเพราะความอยากแต่ไม่รู้ว่าเกิดเวลามันมีปัญหาขึ้นมามันก็จะเสียใจได้ตั๋วมาเดี๋ยวเกิดตั๋วหายขึ้นมาก็ทุกข์แล้วเตรียมตัวแทาเป็นแทบตายพอถึงเวลาจะไปอ้าวตั๋วไม่รู้ไปไห้ที่ไหนนะ หาไม่เจออย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ้าเราอยากจะทําลายตัวที่จะมาคอยทําลายอุบเบกขาความสงบให้หายไปนี้ให้มันให้ความสงบนี้ตั้งอยู่อย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนกับยาที่จะคอยทําลายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเพื่อรักษาให้ร่างกายของเรานี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อก่อนเราไม่มีโควิดเนี่ยอย่างนี้มีโควิดเราก็ต้องฉีดยาป้องกันกันถ้าไม่มีฉีดยาถ้าโดนโควิดปั๊บก็ตายได้อันใดเนี่ยธรรมะคือปัญญาคือการเห็นใจรักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งปวงเห็นว่าสเปธธรรมานัตตาสเพสังขาราอนิจารสเปสังขาราทุกขังเนี่ยถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องปุงแต่งนี้ เป็นเครื่องผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้าลมไฟนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปั๊บเท่านั้นมันก็จะไม่อยากได้ ท, ทันทีเพราะไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันทุกคนต้องการความสุขและวิธีจะได้ความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องละความอยากตังนี้ไปอย่าไปหาความสุขที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปนะพอเห็นด้วยปัญญาเข้าใจก็จะสามารถ เอาชนะความอยากทุกครั้งได้ทุกครั้งความอยากมาชวนให้ไปหาเงินก็ไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปชวนให้ไปรับตำแหน่งก็ไม่ไปชวนให้ทำอะไรก็ไม่ไปถ้าชวนให้ไปปฏิบัติทำถึงจะไปถ้าชวนให้เราไปเข้าสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ก็ไปกันถ้าอย่างนี้แล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่จะมาคอยทำลายอุเบกขาทาลายความสุข ที่เราได้จากความสงบนี้มันก็จะหมดไปความสุขที่เราได้ที่เบื้องต้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวก็จะอยู่อย่างถาวรต่อไปกลายเป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่อยู่ในใจที่ถาวร น, นี้เราเรียกว่านิบานังบาลมังสุขขังเน่งความสุขที่เป็นบรลมัสุขนี้ก็คือความสุขของพระนิพพานพระนิพพานก็คือจิตที่ได้ชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องนำมาสอนพวกที่ยังไม่มีสมาธิตอนต้นนี้จะสอนแต่เรื่องปัญญาอย่างเดียวเพราะผู้ฟังนี้มีศีลมีสมาธิแล้วก็สอนพวกที่พวกที่มีไม่มีปัญญาสอนแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่พอพวกนี้สอนหมดแล้วเรียนจบไปหมดแล้วเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้ว ก็มาสอนพวกที่สองพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิพวกนักบวชพวกพวกที่เพิ่งบวชใหม่หรือบวชแล้วแต่ยังยังไม่สามารถเข้าฌานเข้าสมาธิได้ก็มาสอนวิธีเข้าสมาธิเข้าฌานให้กับเขาด้วยการเจริญสติพอเขาเข้าสมาธิเข้าฌานได้พอเขาได้ฟังพระเรื่องปัญญาเขาก็จะกลายเป็นบวเหนือน้ำแล้วก็บรรลุธรรมต่อไปได้ พอพวกนี้สอนหมดแล้วก็มาสอนพวกที่สคือพวกที่ยังไม่เป็นนักบวช น, นี่เองพวกญาติโยมคารวะญาติโยมก็ต้องสอนให้มหาหัดรักษาศีลกันรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปดในวันพระเอาเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปเดือยไปหาเงินหาทองกั น, ก, นก็แบ่งเวลามาหาธรรมะกันบ้างมารักษาบกติถ้าทางานวรทํางานก็ให้รักษาศีลห้า ถ้าวันหยุดวันไม่ทำงานก็ให้รักษาศีลแปแล้วก็มาฝึกสติมานั่งสมาธิแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาตรงนี้ก็เป็นพวกบัวกลางน้ำที่ต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้พอหลังจากที่ปฏิบัติเป็นค า, ารวะได้อยู่พักหนึ่งแล้วพอได้สัมผัสกับความสงบขึ้นมาก็จะเกิดความยินดีอยากจะปฏิบัติมากขึ้น และการจะได้ปฏิบัติมากขึ้นก็มีวิธีเดียวฉะนั้นก็คือต้องไปบวชนั่นเองไปบวชไปอยู่แบบนักบวชไม่บวชก็ได้แต่ให้อยู่แบบนักบวชก็แล้วกันอย่าไปทํางานอย่าไปหาเงินหาทองเอาเวลามาหาสติหาปัญญากันพวกนี้ก็เรียวกว่าได้พัฒนาจ า, จากบัวเหล่าที่3มาเป็นเหล่าที่2มาบวชแล้วพอมาฝึกสติฝึกสมาธิได้สมาธิก็จะเป็นบัวเหล่าที่1บัวเหนือน้ํา แล้วพอเอาปัญญาอริยสัจสี่มาสอนใจใจก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลยนี่คือบัวสามกลุ่มที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาว่าเป็นพวกที่ยังพอที่จะสอนได้ส่วนบัวกลุ่มที่สี่คือพวกที่ไม่สนใจเรื่องธรรมะเรื่องศรรีลสมาธิเรื่องปัญญาสนใจแต่การหาลากยศสรรเสริญหาความสุขท้งตาหูจมูกนิ้วกาย ขให้หาเงินมาได้เงินมาแล้วก็จะได้เอาเงินไปซื้อของแพงๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยเงินด้วยทองที่หามาได้พวกนี้ก็มันจะไม่มีวันเข้าวัดเข้าวาไม่มีวันที่จะเข้าหาธรรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้พวกนี้ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากว่ามีเหตุการณ์ที่มาสะเทือนใจ เช่นอาจจะสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยทําให้เกิดความทุกข์เป็นอย่างมากแล้วโชคดีมีเพื่อนที่มีธรรมะสอนสอนธรรมะบอกวิธีแก้ความทุกข์แล้วถ้าเกิดเขาหันมาศึกษาและมาปฏิบัติเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากบัวใต้น้ําบัวที่อยู่ในโคลนตมมาเป็นบัวกลางน้ําบัวปลิ่มน้ําและบัวเหนือน้ําตามลําดับได้แต่พวกนี้จะยากหน่อยเพราะจะมีน้อยมากที่จะมีอกาสที่จะหลุดออกจากโคลนตมได้ ส่วใหญ่ก็จะกลายเป็นอาหารของปูปลาก็อาหารของกิเลสตัณหาเนี่กิเลสตัณหาก็จะเอาจิตใจพวงนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดยังไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่คือเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ตอนต้นกาจะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วไม่สอนนี่กาอยู่เฉยสบายปากเปียกปากฉีกแล้วไม่ได้อะไรสอนไปแล้วก็คิดว่าเป็นพวกบัวบัวหยุดบัว บัวเหล่าที่สี่บัวที่อยู่กับโคลนกับตมสอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆแต่หลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแยกแยะแล้วก็เห็นว่าคนนี้มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันคนที่สามารถรู้ธรรมได้อย่างรวดเร็วคนที่สามารถรู้ธรรมได้แต่ต้องใช้เวลามากขึ้นหน่อยและอีกพวกหนึ่งก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนอบรมมากขึ้นแล้วก็พวกที่ไม่สามารถรับธรรมของพระเจ้าได้เลยพระพุทธเจ้าก็เลยทรง เลือกคนสอนไปหาคนที่พร้อมพระพุทธเจ้านี้จะไม่ไปสอนตามบาตามผักเพราะรู้ว่าพวกนี้ไม่มีวันที่จะเข้าถึงธรรมะได้จะไปสอนตามวัดตามวาตามสํานักของผู้ที่มีคนสนใจศึกษาปฏิบัติดูพวกที่เป็นคนที่รักษาศีลคนทําบุญทำทานก็จะเป็นที่ที่พระเจ้าจะไปโปรดแล้วในที่สุดก็สามารถสร้างพระอริยรสงสาวกขึ้นมาเป็นจนํานวนมาก และพระสงฆ์สาวกนี้แหละจะผู้เป็นทูตที่จะรับหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้อยู่ได้แค่80ปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่พระพุทธเจ้าสามารถทําให้พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่กับโลกไปได้ถึง 5,000 ปีด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าสร้างพระธรรมและสร้างพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นตัวแทนต่อไปนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นมาของพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ เดือนแคือวันนี้วันอาสาฬห บ, บูชาเมื่อประมาณ 2,610 ปี45ปีก่อนพุทธศักราชบวกกับ 2,565 รวมกันก็เป็น 2,610 ปีด้วยกันถ้ามีใครอยากจะถามว่าศาสนาเรามีอายุยืนยาวนานแค่ไหนก็บอกว่า 2,610 ปีในในวันนี้ในปีนี้คือวันอาสาฬห บ, บูชาวันที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมา ให้กับพวกเราพวกเราจึงควรน้อมนำเอาของขวัญนั้นประเสริฐที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเรามาด้วยการปฏิบัติบูบชาอย่าไปสนใจกับการบูชายัางอื่นมากเกินไปเอาปฏิบัติบูบชาปฏิบัติทานศีลภาวนาตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้ายินดีและปรารถนาให้พวกเรากระทากัน เพราะว่าการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องการอะไรจากเราท่านต้องการให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดท่านั้นจึงขอให้ท่านจงนำเราไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติเพื่อความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาลิวาหาปูราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตาหนังอุปการปฏิอิชิตังป um ัิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยาถามณิโชติ การสุยทถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกมิาสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอภิวัตนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวทาันติอายุวโนสุขัง h a love. <laughs>